จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจบุญศรทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่หน่งสิงหาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจว่าวัด เพื่อมาบำเพ็ญบุญและกุศลเพื่อความสุขและความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของตนเพราะบุญนี้เปรียบเหมือนกับอาหารใจส่วนกุศลเปรียบเหมือนปัญญาความรู้ความฉลาดคำว่ากุศลนี้แปลว่าฉลาดการที่เราจะฉลาดได้ เราต้องได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นความรู้ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่จะทำให้เราฉลาดอย่างแท้จริงเป็นความรู้ที่จะทำให้เราเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงความรู้ทางโลกนี้ ยังไม่ได้ถือว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงเพราะยังไม่สามารถทำให้เราฉลาดอย่างแท้จริงคนที่ฉลาดต้องอยู่เหนือความทุกข์ได้คนที่ฉลาดต้องไม่มีความทุกข์ต้องไม่มีปัญหากับอะไรทางนั้นถึงจะเรียกว่าคนฉลาดคนที่ฉลาดแต่ยังเอายังมีความทุกข์อยู่ อย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดคนที่เรียนจบปริญญาสูงๆเป็นปริญญาเองก็ยังไม่สามารถอยู่เหนือความทุกข์ได้ยังต้องมีความทุกข์มารุมเล่าจิตใจเป็นเหมือนกับสุภาษิตที่พูดไว้ว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดความรู้ทางโลกจะเป็นอย่างนี้ ไม่ว่าจะเรียนรู้ระดับไหนก็ตามระดับปรถมมัธยมระดับปริญญาเตรโทรเอกก็ยังไม่สามารถที่จะไม่มีความทุกข์ได้ความรู้เหล่านี้ไม่ได้ไปดับความทุกข์ภายในใจไม่ได้สร้างความรู้ความเห็นที่ถูกต้องให้แก่ใจเหมือนกับคา ความรู้ของพระพุทธเจ้าคนที่ได้ศึกษาความรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องจบปริญญาเอก็ได้ไม่ต้องจบปริญญ า, ไ, ไ, มญญาไม่ต้องจบมัธยมก็จะฉลาดได้พระในสมัยโบราณท่านก็ไม่มีการศึกษาสูงแต่ท่านมีปัญญามีความฉลาดท่านสามารถอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้ แต่พวกเรานี้ถึงแม้จะได้เรียนมามากน้อยเพียงไรก็ตามพวกเราก็ยังไม่สามารถที่จะหนีความทุกข์ไปได้ต้องมีความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับสิ่ง น, นั้นทุกข์กับสิ่ง น, นี้นั่นก็เป็นเพราะว่าเราขาดความรู้ที่จะสอนให้เรา ไม่ทุกกับสิ่งต่างๆนั่นเองแต่ความรู้ของพระพุทธเจ้านี้จะทำให้เรานี้ไม่ทุกกับอะไรเลยถึงแม้เราจะไม่มีความรู้ทางโลกเลยเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขมากกว่าคนที่จบปริญญาเองดังนั้นพวกเราจึงควรให้ความสนใจต่อการศึกษา พธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาจากหนังสือก็ได้ศึกษาจากการฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ท่านทั้งหลายกำังทำกันอยู่อย่างนี้ก็ได้ฟังแล้วก็จะเกิดปัญญาความรู้ความฉลาดขึ้นมาใจของเราก็เปรียบเหมือนตุ่มน้ำตุ่มน้ำถ้าเราเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆ ต่อไปตุ่มน้าก็จะมีน้ำเต็มตุ่มฉั้นใดใจของพวกเราถ้าฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆเราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆในใจจนมีความรู้เต็มหัวใจเหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าและพระอานนท์ตถาวกมทั้งหลายนี้ท่านไม่ได้ทำอะไรที่ท่านบวชนี้ก็พวกบวชเรียนศึกษาหาความรู้ที่จะทำให้ใจของท่านหายจากความเห็นผิดเป็นชอบหายจากการเห็นกกงจักเป็นดอกบวัวต้องมีต้องเป็นความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสู้เท่านั้นที่จะทำให้ใจของเรานี้ฉลาดหายจากความ หลงได้หายจากความเห็นผิดเป็นชอบได้ความรู้ในทางศาสนานั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้เจ็ดหัวข้อด้วยกันถ้าเรารู้ความรู้ทั้งเจ็ดหัวข้อนี้แล้วปฏิบัติตามได้รับรองได้ว่าชีวิตของเรานั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าโดยถ่ายเดียวจะไม่มีความทุกข์มาทาให มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราเลยความรู้ทั้งเข้อมีดังนี้คือข้อที่หนึ่งให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สให้รู้ตนข้อที่สให้รู้ให้รู้ผู้อื่นข้อที่หให้รู้สังคมข้อที่6ให้รู้ ให้รู้จักประมาณและข้อที่7ให้รู้จักการละเทสะนี่คือความรู้ที่เราควรจะรู้กันเพราะถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปอย่างถูกต้องจะไม่เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างแน่นอนจะไม่เกิดความทุกข์ต่างๆตามมาอย่างแน่นอน ความรู้ข้อที่หนึ่งและข้อที่สองนี้เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกันคือเหตุและผลเหตุนี้จะทำให้เกิดผลขึ้นมาเราก็ต้องรู้ว่าเหตุนั้นมีอะไรบ้างและผลนั้นมีอะไรบ้างเหตุก็คือการกระทำของเรานี่เองการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจเรียกว่าเป็นเหตุ ทุกวันนี้เราทำเหตุกันอยู่ตลอดเวลาความคิดนี้ก็เป็นการกระทำทางใจความคิดของเราก็คิดไปได้ทั้งดีและคิดไม่ดีแล้วเมื่อคิดไปแล้วก็จะทำให้เราพูดและทำตามความคิดของเราถ้าเราคิดดีเราก็จะพูดดีทำดีถ้าเราคิดร้ายเราก็จะพูดร้ายทำร้ายพอเราทำไปแล้ว ก็จะเกิดผลตามมาผลก็คือความสุขความทุกข์ความเจริญหรือความเสื่อมเสียนี่เองไม่ได้เกิดจากอะไรผลที่เรามีกันอยู่ทุกวันนี้เช่นความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีความเจริญก็ดีความเสื่อมเสียก็ดีไม่ได้เกิดจากผู้อื่นเกิดจากตัวเราเองคือเกิดจากเหตุ ที่เราทำกันคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจดังนั้นถ้าเราอยากจะได้ผลดีคือได้ความสุขได้ความเจริญเราก็ต้องทำเหตุที่ดีคือคิดดีพูดดีทำดีแล้วผลดีก็จะตามมาถ้าเราไม่ต้องการผลไม่ดีไม่ต้องการความทุกข์ ไม่ต้องการความเสื่อมเสียเราก็ต้องไม่คิดไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายเมื่อเราไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายผลที่ไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาอันนี้เป็นหลักษาคนเป็นหลักของธรรมชาติไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุปและมาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกหรือไม่ก็ตาม ความจริงอันนี้ย่อมเป็นความจริงที่ตายตัวใครทำดีก็ต้องได้ผลดีใครทำชั่วก็จะต้องได้ผลชั่วไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามก็ไม่สำคัญจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามก็ไม่เป็นข้ออ้างที่จะทำไม่ให้ผลที่เราไม่ปรารถนาปรากฏขึ้นมา แต่ถ้าเรารู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นเรารู้แล้วว่าเหตุของความสุขและความเจริญของเราก็อยู่การคิดดีพูดดีทาดีเหตุของความทุกข์ของความเสื่อมเสียก็เกิดจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีดังนั้นเราก็ต้องพยายามคิดดีพูดดีทาดี และพยายามละความคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดีเพื่อเราจะได้มีผลที่ดีคือมีแต่ความสุขและความเจริญนั่นเองดังนั้นเราจึงต้องสอนใจของเราให้คิดดีเมื่อใจเราคิดดีแล้วก็จะได้พูดดีทาดีพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราคิดดีเช่นให้เราคิดด้วยความเมตตา กรุณามุนีตาอุเบกขานี่คือความคิดที่จะทําให้เราคิดดีความเมตตาก็คือให้เราปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้มีเราให้เราคิดเป็นมีไมตรีจิตต่อผู้อื่นให้เรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้เราให้อภัยต่อผู้อื่นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะ พูดดีทำดีถ้าเราไม่มีความเมตตาเวลาใครทำให้เราโกรธเราก็จะคิดร้ายอาฆาตพยาบาทก็จะคิดจองเวรจองกรรมคิดทำร้ายผู้อื่นเมื่อเราไปทำร้ายผู้อื่นไปกล่าวร้ายไปว่าร้ายต่อผู้อื่นแล้วผลเสียมันก็จะกลับมาหาเราเขาก็จะคิดร้ายกับเราเขาก็จะพูดร้ายกับเรา แล้วเราก็จะต้องมีความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาดังนั้นท่านจึงสอนให้เรามีความเมตตาอย่าไปคิดร้ายต่อผู้อื่นให้มีความปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์นี่คือความคิดดีคือความเมตตาความกรุณานี่ก็เป็นความคิดดี คือปรารถนาให้ผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากได้หลุดพ้นจากความทุกข์เห็นเขาทุกข์ยากลําบากเราก็ช่วยเหลือเขาตามกําลังของเรามีอะไรพอจะให้เขาได้ก็ให้เขาไปเขาขาดอาหารก็ให้อาหารขาดเสื้อผ้าก็แบ่งปันเสื้อผ้าให้กับเขาไปอย่างนี้ก็จะทําให้เรามีความสุข และคนที่เขารับความช่วยเหลือเขาก็จะไม่คิดร้ายกับเราเขาก็จะคิดดีกับเรานี่คือความกรุณาส่วนมุติตาก็คือให้เรายินดีกับความสุขของผู้อื่นยินดีกับความเจริญของผู้อื่นเวลาเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราต้องมีมุติตาจิตต้องแสดงอนุโมทนา ยินดีกับความสุขของเขายินดีกับความเจริญของเขาอย่าไปอิจฉาริษยาไม่ดีเพราะความอิจฉาริษยาจะทำให้เราใจไม่ดีแล้วจะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อไปดังนั้นขอให้เราพยายามสแสดงหรือมีความรู้สึกมีความยินดีแก่ผู้อื่นเวลาที่ เขามีความสุขและความเจริญไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดก็ตามแต่ถ้าเรามีความเมตตาเราก็จะไม่มีเราก็จะไม่เกลียดใครเพราะการเกลียดนี้ไม่ดีความเกลียดนี้ทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สบายการมีความเมตตาชื่นชมยินดี ชอบหรือรักผู้อื่นนี้เป็นความรู้สึกที่ดีแต่ต้องเป็นความรักความชอบที่ไม่มีความยึดติดคือไม่ยึดมั่นถือมั่นในตัวของคนที่เรารักที่เราชอบคือเขาจะอยู่เขาจะไปก็ได้อย่าไปรักไปชอบแบบกิเลสคือรักแล้วมีความยึดติดเป็นเจ้าของอยากจะให้เป็นของเราไปตลอด อยากจะให้อยู่กับเราไปตลอดความรักแบบนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาเพราะถ้าเวลาที่เขาจากเราไปเราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจให้รักแบบไม่ยึดไม่ติดไม่ครอบครองเป็นเจ้าของเวลาอยู่ด้วยกันก็รักกันแต่เวลาเขาไปก็ไม่เสียใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วทุกคนอยู่ในโลกนี้ต้องจากกัน วันใดวันหนึ่งอย่างแน่นอนไม่มีใครอยู่ไปด้วยกันตลอดถ้าไม่คิดอย่างนี้แล้วเวลาจากกันจะเศร้าโศกเสียใจจะกินไม่ได้นอนไม่หลับและอาจจะคิดร้ายกับตนเองคือคิดฆ่าตัวตายได้ดังนั้นถ้าเราจะรักใครจะชอบใครก็ขอให้รักแบบเมตตาคือปรารถนาดีกับเขาแต่ไม่ครอบครอง ไม่ยึดเขาเป็นสมบัติของเราต้องคิดว่าเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้เขาจะอยู่ก็อยู่เขาจะไปก็ไปแม้แต่ตัวเขาเองบางทีเขาก็บังคับตัวเขาเองไม่ได้บางทีเขาก็ต้องไปทั้งๆ ท, ที่เขาไม่อยากไปเพราะนี่คือเรื่องของธรรมชาติของชีวิตเป็นอย่างนี้ มีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามีการพากจากกันเป็นธรรมดาเราจึงต้องมีอุเบกขาด้วยนอกจากมีเมตตากรุณามุดิตาแล้วก็ต้องมีอุเบกขาเกิดต้องทำใจเป็นกลางทำใจปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ยินดียินร้ายกับบุคคลต่างๆหรือกับสิ่งต่างๆแต่เวลาอยู่ด้วยกันก็ มีความเมตตาต่อกันมีความปรารถนาดีต่อกันมีความกรุณาความสงสารกันมีความยินดีชื่นชมต่อความสุขความเจริญของกันและกันแต่ถ้าถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องจากกันก็ต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาคืออย่าไปเสีย อ, อกเสียใจถ้าเราไม่ยึดไม่ติดถ้าเรามีปัญญา คอยสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครรู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้อาจจะอยู่ร่วมกันแต่พรุ่งนี้อาจจะจากกันก็ได้ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้อย่างนี้เวลาเกิดเวลาที่ต้องจากกันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจก็จะอยู่ได้อย่างปกตินี่คือการคิดดีเป็นอย่างนี้ ส่วนการคิดไม่ดีก็คิดตรงกันข้ามกันขาดความเมตตาขาดความกรุณาขาดมุติตาไม่มีอุบเบกขาก็จะทาให้ชีวิตของเรานั้นมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์ความกวลกวายไม่รู้จักจบจากสิน้นนี่คือเรื่องของการรู้เหตุและรู้ผลเราต้องการผลที่ดีเราก็ต้องทาเหตุที่ดี ถ้าเราไม่ต้องการผลที่ไม่ดีเราก็ต้องอย่าไปทำเหตุที่ไม่ดีนี่คือความรู้สองข้อแรกรู้เหตุและรู้ผลความรู้ข้อที่สามก็คือรู้ตนเราต้องรู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นอะไรเราเป็นหญิงหรือเราเป็นชายเพราะการเป็นหญิงก็ต้องทำตนแบบหนึ่งเป็นชายก็ต้องเป็นทำตนอย่างหนึ่งเป็น เราเป็นพระหรือเราเป็นคารวะเราก็ต้องทําตัวให้เหมาะสมกับฐานะของเราเป็นพระก็ต้องสํารวมมีศรรีลมีธรรมเป็นคารวะก็สามารถที่จะทําต่างจากพระได้เป็นคารวะทาตัวเป็นเหมือนพระเขาก็จะอาจจะถูกเขาหลังเกียดได้อยู่ในสังคมก็ต้องเข้าตาเขาหลิวอย่างไรก็ต้องหลิวไปกับเขา เขาร้องรำทำเพลงถ้าเราอยู่ในสังคมกับเขาเราก็ต้องร้องรำทำเพลงไปกับเขาคือเราต้องรู้จักทำตัวของเราให้เหมาะกับฐานะของเราเราเป็นเด็กหรือเราเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เราก็ต้องรู้วิธีปฏิบัติตัวเราถ้าเรารู้ฐานะของเราเราก็จะสามารถวางตัวของเราให้ถูกต้องได้ เมื่อเราวางทัวของเราให้ถูกต้องก็จะไม่เป็นที่ตำหนิไม่เป็นที่รังเกียจของผู้อื่นนี่คือการรู้ตนส่วนข้อที่สี่คือให้รู้ผู้อื่นคือผู้อื่นเขาก็มีฐานะที่ต่างจากเราคผู้อื่นนั้นบางคนเขาก็สูงกว่าเราบางคนเขาก็เท่าเราบางคนเขาก็ต่ำกว่าเราเช่นพ่อแม่ กูบาอาจารย์ปุญาตายายท่านก็เป็นผู้ที่สูงกว่าเราเราเป็นผู้อ่อนกว่าเราก็ต้องให้ความเคารพต่อผู้ที่สูงกว่าเราส่วนเพื่อนฝูงของเรานี้ก็เป็นคนที่อยู่ในระดับเดียวกับเราเราก็ไม่ต้องให้ความเคารพกับเขาแต่เราก็จะให้ความสนิทสนมกับเขาและผู้ที่เขาต่ำกว่าเรา เช่นลูกของเราลูกหลานน้องของเราอย่างนี้เราก็ต้องให้ความเอ็นดูกับเขาให้ความเมตตากรุณากับเขานี่คือการรู้รู้จักบุคคลต่างๆในสังคมเพราะว่าสังคมเรานั้นเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมที่มีการสมมุติฐานะต่างๆ เราก็ถูกสมมุติให้เป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กเป็นคนรวยเป็นคนจนเป็นเจ้านายเป็นลูกน้อง<ม>คนอื่นเขาก็มีฐานะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เราต้องพบกับบุคคลต่างๆเราก็ต้องรู้จักวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องกับบุคคลต่างๆ ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรตามมาแต่ถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องมันก็จะเกิดปัญหาได้เช่นเราไม่ให้ความเคารพต่อพ่อแม่ต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้เราก็จะเป็นคนที่ที่ไ ม, ไม่ไม่ถูกไม่ดีจะต้องถูกตำหนิติเตียน แล้วถ้าเราถูกตำหนิตีเตียนถ้าเราไม่ชอบเราก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะทำให้เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีได้แต่ถ้าเราทำตัวของเราให้ถูกต้องก็จะไม่มีใครเข้ามาตำหนิตีเตียนเรานี่คือการรู้บุคคลรู้รู้จักผู้อื่นข้อต่อมาก็ให้รู้จักสังคมสังคมที่เราอยู่ก็มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อที่เราจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างสง บ, บสุขถ้าเราไม่ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเราก็จะเป็นบุคคลที่ไม่มีที่คนเขาไม่ยินดีจะเป็นที่รังเกียจของผู้อื่นสังคมนี้เขามีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีต่างๆเราก็ต้อง ปฏิบัติตามเช่นเวลาเราไปไหนมาไหนก็มีการไหว้กันภาษาโบราณเขาว่าให้ไปให้ลามาให้ว่าเวลาเราออกจากบ้านก็ต้องบอกคนในบ้านให้รู้ว่าเราไปข้างนอกเวลาเรากลับเข้ามาเราก็ต้องทักทายกันสแสดงคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือทักทายคนที่เขามีฐานะเท่ากับเรา นี่คือเป็นขนรทมเนียมประเพณีที่ดีที่งามที่เราควรที่จะศึกษาให้รู้แล้วพยายามปฏิบัติตามให้ได้แล้วเราก็จะได้ไม่เป็นบุคคลที่น่ารังเกียจจะเป็นคนที่อยู่กับใครก็ได้จะไม่ทำให้ผู้อื่นเขารังเกียจเราข้อต่อมาให้รู้จักกาลเทศะ คือกา ร, ารกระทําอะไรต่างๆในตามสถานที่ต่างๆนี้จะไม่เหมือนกันไปงานศพก็เป็นอย่างหนึ่งไปงานแต่งงานก็ไปอย่างหนึ่งไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ, างๆก็เป็นอย่างหนึ่งไปวัดก็เป็นอย่างหนึ่งดังนั้นการที่เราไปตามสถานที่ต่างๆเราก็ต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆเหตุการณ์งานนั้นและ ทำตัวของเราให้เหมาะสมกับงานนั้นๆไปงานศพเราจะไปร้องรำทำเพลงวัวเลาะก็ไม่เหมาะสมไปงานแต่งงานจะไปแต่งชุดดำไปมันก็ไม่เหมาะสมเราก็ต้องรู้จักกาลเทศะเวลาที่เขากำลังทำอะไรอยู่เราก็ต้องปฏิบัติตามเช่นเวลาที่มาที่วัดนี้เราก็มีการ กระทำต่างๆตามขั้นตอนเช่นเวลาใส่บาตรเราก็เราก็ควรจะใส่บาตรกันเวลาถวายอาหารก็ถวายอาหารกันเวลาที่เขาทำพิธีกล่าวคำถวายสังฆท า, านขอสิ่งหรือฟังเทศน์ฟังธรรมเราก็ไม่ควรทำอย่างอื่นไม่ควรนำเอาข้าวของมาถวายในตอนนั้นก็ต้องรอให้เสร็จพิธีก่อน รอให้กล่าวคำถวายให้เสร็จก่อนขอศีลให้เสร็จก่อนฟังเทศฟังธรรมให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้ามาทำถวายของทีหลังได้คือเราต้องรู้จักว่าอะไรควรไม่ควรในเวลาใดในเวลานั้นต้องต้องสังเกตดูสังเกตว่าเขาทำอะไรกันโบราณเขาเรียกว่าให้ดูตาหมาตาลือ ถ้าไม่ใช่นนั้นแล้วเดี๋ยวทําผิดอย่างอย่างน้อยเราก็จะกลายเป็นคนเฉยไปหรือแสดงความโง่เขลาเบาปัญญาของเราให้ให้ผู้อื่นเขาเห็นว่าเรานี่โง่จริงๆไม่รู้จักอะไรเลยแล้วก็ไปสร้างความไปรบกวนคนอื่นเขาเช่นเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ต้องการความสงบไม่สมควรที่จะนั่งคุยกัน หรือทำอะไรให้เกิดเสียงดังขึ้นมาเพราะจะทำให้ไปรบกวนสมาธิของผู้อื่นที่กำลังพยายามตั้งใจฟังการฟังธรรมนี้จะเกิดประโยชน์ได้ต้องมีกายวาจาใจที่สงบสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจใจก็ต้องไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจต้องตั้งใจฟังจริงๆฟังอย่างเดียว อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะจะทําให้เราไม่ได้ยินสิ่งที่เรากําลังฟังอยู่คือได้ยินเสียงแต่จะไม่เข้าใจเพราะใจเรากําลังมัวคิดถึงเรื่องอื่นอยู่ก็จะไม่เกิดอนิสงส์ประโยชน์ที่จะเกิดจากการฟังที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่ถึงหประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สองสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปสามจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องสีจะขะจัดความสง ส, งสัยได้หจะทำให้จิตใจเราผ่องใสมีความสุขมีความสงบนี่คือการฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบด้วยความตั้งใจ ด้วยสติคือฟังที่เสียงแล้วก็พิจารณาตามไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดกับเรื่องที่เรากำลังฟังอยู่ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมานี่คือการรู้จักกาละเทศะส่วนข้อสุดท้ายก็คือการรู้จักประมาณเราต้องรู้จักประมาณในการบริโภคปัจจัยสเช่นอาหาร อย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยและเครื่องนุ่มหม่มเราต้องรู้จักประมาณก็คือไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรน้อยเกินไปก็จะทําให้เกิดโทษกับร่างกายได้เช่นการรับประทานอาหารก็ให้รับพอดีพออิ่มย่ารับประทานด้วยความชอบแล้วก็รับประทานมากจนเกินไป ก็จะทำให้ร่างกายเสียเสียโฉมได้ร่างกายก็จะอ้วนเป็นเหมือนตุ่มแล้วก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บต่างๆมาเบียดเบียนถ้ารับประทานแบบไม่รู้จักประมาณก็จะเป็นอย่างนั้นเสื้อผ้าก็เช่นเดียวกันก็ต้องรู้จักประมาณให้มีพอสมกับความต้องการ ข, ของเราคือให้มีพอเท่ากับความจำเป็น ไม่ใช่ความพอใจอยากได้เสื้อผ้าถ้าเราคิดว่าเรามีพอเพียงแล้วสำหรับใส่อยู่กับบ้านสำหรับใส่ไปเที่ยวสำหรับใส่ไปทำงานก็ควรที่จะหยุดซื้อได้แล้วถ้าไม่ของเก่ายังไม่ขาดยังใส่ได้อยู่ก็ใส่ไปเถิดคนเราไม่ได้สวยงามที่เสื้อผ้าเสื้อผ้าเพียงเีเยวไว้เพื่อปกปิดอวัยวะต่างๆเพื่อปกป้องรักษาร่างกาย จากอากาศที่หนาวหรือมแมลงสัตว์กัดต่อย ต, ต่างๆเท่านั้นเองความสวยงามของเราต้องอยู่ที่ใจความสวยของคนเราเนี้ถ้าว่าสวยที่ศีลละธรรมคนที่มีศีลละธรรมนี้จะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีน่าเคารพนับถือแต่คนที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมจะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะเข้าใกล้ ถึงแมจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามมากน้อยขนาดไหนก็ตามแต่จะไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะใจไม่ดีใจร้ายใจที่ชอบไม่ซื่อสัตย์สุดจริตอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราต้องรู้จักประมาณในการใ น, ในการใช้สิ่งของต่างๆเพราะถ้าเรารู้จักประมาณเราก็จะประหยัดเงินทองได้มาก เราจะมีเงินเก็บไว้และเราจะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องกองการขาดเงินขาดทองเพราะว่าเราจะมีเงินเหลือใช้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่รู้จักประมาณแล้วต่อให้เรามีเท่าไหร่เราก็จะไม่พอใช้เพราะความอยากนั้นมันไม่มีขอบเขตได้มาเท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักพอ เราคงเคยได้ยินคนที่เขามีรองเท้าเป็นร้อยคู่มีเสื้อผ้าเป็นร้อยเป็นพันชุดทั้งๆ ท, ที่เขาก็มีร่างกายเพียงร่างกายอันเดียวเท่านั้นเขาจะใส่รองเ ท, ท้าทีละร้อยคู่ได้อย่างไรนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จักประมาณนั่นเองแล้วก็ไม่ใช่จะมีความสุขยิ่งมีของมากเท่าไหร่ก็ต้องมีภาระที่จะต้องคอยดูแลรักษาคอยเก็บคอยเอามาซักเอามารีด มีแต่ภาระไม่มีความสุขจากของการมีของมากมายังมีพอประมาณก็พออย่างพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าสอนให้มีผ้าสามถึงก็พอให้มีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนและผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนก็พอแล้วสำหรับผ้าของพระไว้สำหรับนุ่งห่มนี่คือความรู้จักประมาณเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้จักประมาณแล้วชีวิตของเราจะไม่มีปัญหาจะไม่ขาดแคลนและจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราจะมีเงินไว้สำรองสำหรับซื้อสิ่งต่างๆในยามจำเป็นได้อย่างแน่นอนถ้าเรามีความรู้ทั้งเจ็ดประการนี้แล้วคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคม รู้กาลเทศะและรู้ประมาณชีวิตของเราจะเดินไปได้อย่างราบรื่นอย่างร่มเย็นเป็นสุดอย่างเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงจึงขอฝากเรื่องของการศึกษาความรู้ที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาสั่งสอนให้แก่พวกเรานี้เอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชนสุดที่จะตามมาต่อไป